ฟนะังทำต่อเองเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตกับการศึกษาที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันน้าที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็ได้ทำ ในรูปแบบของกรรมฐานมีสติภาปในกายอยู่เป็นประจำตื่นก่อนอันอื่นถ้ามีสติเป็นไปในกายหมายความว่าอันอื่นมาทีหลังจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับป่ากับจิตใจสติต่ ไปในการสติเป็นเจ้าถิ่นเป็นการทำกับกายโดยชอบแล้วอะไรที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติที่ไม่ค่ความรู้สักตัวไม่ถูกต้องมีสติเข้าไปเห็นเห็นแล้วไม่เป็นพ้นจากสิ่งที่เป็นนั่นจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเราจดด้านไปเลยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นรับไปเลยทุ ก, ก็เป็นทุกสุขก็เป็นทุขแต่นั้นไม่ใช่ปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติแม่แต่ร้อยเลยสติไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าทิ้งสติแล้วสติจะมีลักษณะ เห็นไม่เป็นพ้นจากสิ่งที่เป็นตามหลักอริยสัจสี่ 4, แล้วว่ามีปัจจัยสามมาการสิบสองเกิดขึ้นได้แล้วขณะนั้นเป็นภาพปฏิบัติโดยสมบูรณ์เห็นไม่เป็นพ้นจากพราวะที่เป็นทุกข์กรดีที่มันเกิดขึ้นกับปากับจิตใจจะเป็นเรื่องใดก็ตามถ้ามีสติ ปัฏฐานสติเป็นเจ้าถิ่นแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ง่ายๆก็ เ, เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์คือเห็นคือไม่เป็นพ้นจากการเป็นนี่คือเป็นสถาบันของชีวิตที่จะใช้ชีวิตในลักษณะแบบนี้ในภาคปฏิบัติสัมผัสได้ทุกชีวิต อย่าทิ้งจะเมอนเฉยไปทางอื่นใจใจให้แยบคลายลำดับลำนำจัดเกณฑ์แม่นยำรอบครอบมีสติใช่มากเท่าไหร่ใช้สติมากเท่าไหร่ก็จำนานมากเท่านั้นกลายเป็นสติเป็นหน้าโลกไปเลยแล้วก็ก็เป็นไปเอง เห็นไปเองคุณธรรมของตรีคือเห็นไมใช่ตาเห็นตาเห็นมันมันเป็นวัตถุไม่ใช่เป็น ป, มปนนมรมาธรรมวัตถุก็เป็นแปลสภาพนาม อย่างตองบุญมีวัตถุเจงของเข้าป่าหารวัตถุนี้แปลสภาพเป็นบุญถึงใจตกใจได้ให้การให้เจงของแปลวัตถุเป็นบุญเมต่ตาเหรูปก็แปลเป็นนามะธรรมเป็นมรรคเป็นผลได้เป็นบุญได้เป็นกุศลได้เป็นความฉลาดได้เป็น เครื่องมือที่เฉลยได้ทุกอย่างสติเนี่ยจึงใส่ใจให้ดีๆใต้เป็นสถาบันจึงจะเป็นสุ ป, ปฏิปันุบุคคลเป็นตุนโฉปฏิปนเป็นญายะปฏิป น, นเป็นสามีจิปฏิป น, นุจึงจะสมควร รับทักษินนทานได้ไปจูดได้อ น, นิสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเราก็ได้อ น, นิสงฆ์ในคิดเพื่อทำความดีอย่างนี้นี่เป็นสถาบันแบบนี้กูให้ทานให้ข้าวปาอาหารเร า, เา ก, ก็มีอ น, นิสงฆ์อสนับส น, นิคนเกิดให้คนเป็นคนดีอ น, นิสง์ทั้งสองฝ่ายก็เกิดขึ้นได้ นี่คือปฏิบัติธรรมชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อการ น, นี้อันอื่นเป็นเรื่องอฏิเลกมันใช่เป็นหลักหลักจริงๆคือปฏิบัติเห็นภาคกระทําเป็นภาคสัมผัสมัใช่ประชิดหาคำตอบเอาผิดเอาถูกจากคําตอบเอาผิดเอาถูกจากการกระทํา ว, ว่าเห็นตัวนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกมันลบไปหมดเลยมันสุกเห็นมันสุกเนี่ยมันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยก็ลบไม่มีค่าไปแล้วเหลือศูนแล้วสุกเหลือศูนทุกข์เหลือศูนยความหลงก็เหลือศูนย์ความโกรธอะไรก็เหลือศูนไปหมดเลยต้องต้นที่ศูนย์เป็นเป็นเป็นจุดแรกเพื่อจะ ถูกต้องตอนไม่ตั้งต้นที่สูงศูนย์เราก็ผิดไปแต่พื้ต่พื้นไปเหมือนปิกระดุมเสื้อผิดตั้งแต่ลูกแรกก็ผิดไปอีกแต่พื้นแต่พื้นลูกที่สองลูกที่สามก็ผิดไปเลยุกเป็นฉกทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงลักเป็นลั ก, ล ก, เ, ลกเกียดเป็นเกียดผิดไปแล้วไม่ศูนย์ไปไกล ถึงชาติชะลามณะโสกับผลุกเป็นการผิดพลาดของการใช้ชีวิตของแต่ละคนเองไปโทษคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าเราอยู่ลักษณะแบบนี้รือว่าปวดภยัยถ้าเหลือศูนย์เนี่ยมีสติสามประชันยาแล้วการแสดง อรที่มันเกิดกับปายกับใจเป็นอาการเล็กๆน้อยๆแต่การใช้ชีวิตของเราเป็นจิติยากิริยาคือใช้ชีวิตไม่ใช่เป็นการอาไม่ใช่เป็นอาการอาการกับกิริยาคนละอย่างกันกิริยาเป็นการใช้ชีวิตจงเดืนเดินนั่งนอนกินข้าวพูดเหย็ดกินไหวพูดจาปา่าใสมองไปโน่นไปนี่ทํามันน่นทนํามันนี่ ไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้เป็นความสุขมมนได้เป็นความทุกข์พวกกิริยาจังว่าเนื้อบุญเนื้อบาปการใช้ชีวิตที่มันเป็นจิริยาส่วนอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มันเป็นอาการทุกอย่างรวมเป็นอาการทั้งหมด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 ออกมาจากหัวใจที่เป็นหาไทยลึกๆแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับอาการต่างที่เกิดขึ้นกับรูปกบน้ํามเนี่ยรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไมา่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่จะมาเห็นว่ารูปมาตีมาฆ่ากันอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่แบบนั้นเออจากเราเองถ้าเกิดจากคนอื่นก็ต้องต้องการรักษาไม่ให้เกิด ไม่ให้เราไปเกิดกับคนอื่นไม่คนอื่นมาเกิดกับเราเว้นก็ที่ปฏิบัติธรรมจะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันเลยเพราะมันเห็นตั้งแต่ต้นโตถ้าวันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ก็หลบหลีกลู่หลบเป็นปีกลู่หลีกเป็นหางนีคนในโลกมีคน ชั่วคนดีมีมิตรชั่วมิตรร้อยมิชั่วมิตรเทียมมิตรแท้มิตรเทียมแล้วก็ฉลาดเสือมันมีในโลกนี้เสือมันกัดคนเราจะฆ่าเสือให้หมดมันเป็นบปไมาดาวิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันเราต้องดูแลเรา อย่าไปเสือมันกัดแต่มันอยู่ในดงเสือเราก็ทําคกรู้จ้ะให้เสือมาอยู่ข้างนอกมันก็กัดเราไม่ได้เรามีโคกมีที่อยู่มีกติมีผ้ามีการใช้ชีวิตที่มันไปไหนมาไหนมันพอสะดวกปฏิบัติธรรมมันมีโคกมันมี กำแพ ง, งพเป็นฝาผนังศิลเป็นฝาผนังสติสมาธิอินทรีย์ทั้งห้าเป็นเสาระเนียดอย่างที่พระเจ้าได้ตัดสอนไว้สติปัฏฐานสีเป็นป้อมบาการอิทธิปัฏาสีเป็นทางแกกเดินไปตามทา ง, างนั้นคำว่าข้อกำวากำแพงคำว่าเสาระเนียดคำว่า ป้อมป่ากนอาวุธมันคือท ร, รมท่านั้นแต่ฉานไปจักสติตนี้นะต้นกำเนิดของเกิดแต่งที่เกิดแต่งทรรมเป็นอุปกรณ์การใช้เครื่องมือในการใช้เพื่อความลุดพ้นทั้งหมดจะเป็นศรรีลเป็สมาธิเป็นปัญญาเป็นอะไรก็ตา่าง สะดวกในการบรรลุธรรมมีสติสัมปชัญญะไปในการสะดวกมีเจรใชได้ทั้งนั้นในกายในใจเนี่ยเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ทั้งหมดมา้ล่เป็นดีได้ทั้งหมดถ้าเราเปลี่ยนเราแล้วที่กายที่ใจเนี่ยก็เหมือนกันหมดทุกคน ความโกรธก็เหมือนกันเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธก็เปลี่ยนเหมือนกันเดือทุกข์เหมือนกันเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ก็เหมือนกันมีสติเหมือนกันหมดทุกชีวิตถ้ามีสติเป็นสากลเหมือนกันหมดจึงไม่ควรโทษทิ้งใส่ใจกาชีวิตของเราเพื่อการนี้อย่าไปทํามันอื่น แม้ทำอดินก็เป็นการใช้ชีวิตที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ใอันด่นเป็นใหญ่แล้วก็มักจะทำประโยชน์สิ่งที่ไ็นดีจะทำให้เกิดความดีได้ในวัตถุสิ่งของแต่โดยเฉพาะส่วนตัวในสิทธิร้ยเปอร์เซ็น ปฏิบัติธรรมเหมนหลงมีสิทธิไม่หลงมันทุกมีสิทธิไม่ทุกเหมือนอะไรที่มันเป็นมันเป็นเป็นเป็นมีสิทธิไม่เป็นง่ายง่ายอย่างนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ยากทาได้ทุกชีวิตปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการได้เลยื้นอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่ ทำได้ถ้ามันเกิดอะไรที่ไม่ใช่ปกติปกติเป็นเป็นบ้านของชีวิตชีวิตมีบ้านคือปกติไม่ใช่วัตถุจริงของแม่อยู่ในที่อื่นก็ปกติได้นอนแช่น้าก็ปกติได้อะไรที่มันเกิดขึ้น จา ก, การจากจังก็สู่ปกติได้สู่ธรรมชาติได้จะจับไปมูดจุ่นน้ำก็ยังปกติธทำเป็นอย่างนั้นเ้าภัยวางเผาก็ถือว่าเป็นปกติได้อันนอนเป็นอาการที่มันเกิดกับกลุ่มมันก็ลอนต้องล้นเหมือนถึงคราวที่มันจะตายก็เป็นตายเลยหัวมลน ไม่ได้ตายเพราะความล้นลมชีวิตอันที่มันเป็นชีวิตที่ปกติไม่ได้ตายเพราะความล้นไม่ตายเพราะความตายนี่คือชีวิตอย่างนี้ปรกตนโสนตนไปเดอนตนไปแก้ไขตนไปมิสติมองตนไปไม่มีอะไรที่หลอกตนได้เท่ากับตัวเองหลอกตัวเองถ้าหลอกตัวเองไม่ได้ก็หลอกคนอื่นไม่ได้ ถ้าหลอกตัวงได้ก็โหลอกคนอื่นได้มันเกลี้ยงเก่าเป็นผรมชาติอย่างจริ ง, รงเห็นไม่เป็นนี่เฮ้ยมันพรมชาติบริสุทธิ์ผุดฟงเขาฟงเดียวสีเดียวคนอื่นไปได้ไม่เป็นไม่เป็นเห็นไม่เป็ น, น, ปนพ้นจากเพระที่เป็นนี่ว่าปัจจัยาสาม ในหลักอริสัต4ีทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ว่ามีสี่อย่างทุกส ม, มุทยัยในโลดมั้ทุกก็มีมากส ม, มุทัยก็มีมากแต่เกี่ยวกับจริงเหล่านี้ปาลิวัตสมคือสมอย่างเห็นไม่เป็นพ้นจากการเป็น แ, แล้วก็ตามลักษณะเดียวนี้เท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่น เหมือนเครื่องมือสกรูน้อตขุนแก่เบอร์หนึ่งเบอร์สิบสี่สิบห้านั้นเป็นวัตถุส่วนนามธรรมา ท, ที่เป็นเครื่องมือการารู้ธรรมอันเดียวอันเดียวไม่พลงพหลังชีวิตของเราที่เป็นกายเป็นใจเป็นรูปเป็นนามโมใจการใช้ฉนี่มากที่สุด อันใช่อื่นพะหลงพลังนะแต่ใช่เพื่อการบรรลุธรรมเนี่สะดวกกว่าอย่างอื่นอันเดียวถนัดเนียกว่ากําลังคนดันเดียวแม้มีข่า ศ, ศึกศัตรูจําวนมากก็ปราบได้ทั้งหมดเหมือนกับเสือมันมากแต่เรามีกําลังคนที่มีโคกขั ง, งเรา ไม่ให้ออื่นมาลบ ก, กวนเราได้คือไม่เป็นเนเสือมาถึงอารมณ์อวิชชาคือป่ามืดบอดมืดในความสุขมืดในความทุกข์มืดในความรักมืดในความชั่งมืดในควา ม, ม, มโกรธความโลภความหลงเรืออวิชชาเท่านั้นเมืม่อเหมียวอวิชชาเป็นมืดเราก็ต้องมีเสือฉัดล่าอยู่ในความมืด สัตว์มีพิษชอบอยู่ในความมืดงูสามเลี่ยมทำทานงูเห่าจงอางย่ออยู่ในมืดมืดในที่ใดมีป่าอย่าประมาทเสืออุบาทมีอยู่คู่สถานคอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันวันใครเดินผ่านไม่ระวังไม่หวังตาย ในทีน่นี่เปรียบเสือเหมือนกิเลสตัณหารวมทำม้เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษอวิชชาเหมือนกับป่าอาวิชามีป่าเสือ่อมกม่อยู่ในนั้นอะไรมองดีไม่ดี พอใจไม่พอใจนะกาลังจะมีเสือเกิดขึ้นภาพเสือนิสตีปัญกาอยู่เป็นประจำอานาปิสัมชาญโฉตติบาวินายาโลเจปิชาทุวันสันถอนความพอใจและความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจออกเสือได้นี่ปาบปราบเสือถอนมาเห็นไม่เป็นนี่ เห็นไม่เป็นทุกอย่างกำลังคนแค่นี้ปราบศัตรูได้เยอะทำได้ทุกคนทุกชีวิตเป็นเพื่อนกันพวกเราไปด้วยกันไม่ใช่มีใครเป็นครูอาจารย์ของเราเป็นเพื่อนกันกัน อ, อย่างนี้มิตร นร้างเจิญนีิเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันอันอย น, นมิตรคือมิตรแท้พาถึงมรรคถึงผลนยเอาเป็นอยากแบบอยางต้องไม่อยู่คนเดียวให้ความคิดตัวเองที่มันคิดไม่ดีเพราะอะไรมีกันเลยียนมิตรไม่มีใครเป็นมิตรเราก็เป็นมิตรกับตัวเอง เราเป็นกันระยะมิตรกับตัวเองเราไม่เป็นศัตรูกับตัวเองหลงไม่ได้โกรธเป็น ไ, ได้มันมีเมตตาโณ่สงสารรูปสงสารนามสงสารกายสงสารกิตใจมันจะทุกข์ได้อย่างไรตั้งแต่มันหายใจเข้าหายใจออกได้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว ล้วก็มีทุกขังอ น, นิจจังอ น, นิตาอยู่แล้วเอาทุกอะไรมาให้มันอีกทำไม่ลงผมขืนตัวเองเนี่ยเก็บปวดบ้าล้วจะไปกลัวคนอื่นมันก็ทำไม่ลงจะไปให้คนเบียดเบียนจะอื่นทำไม่ลงนั้นเป็นพูมจัดบริสุทธ์นี่คือ กำเนิดเกิดแห่งพุทธะนีความรู้จักตัวหนึ่งตื่นอยู่แล้วอะไรมาก็เหมือนเราเราตื่นอยู่นี่อะไรที่จะมันเกิดขึ้นมันมาทีเรเราว่าตื่นนี่ตื่นรู้ตื่นรู้นึ่เพื่อเพื่อปฏิบัตดิดีเพื่อที่บัตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ก็มาตื่นรู้นึ่เพื่อการนี่โดยตรง ปฏิบัติดีแล้วไม่ได้ปฏิบัติทุกเป็นทุกไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติดีแล้วคือตื่นรู้ปฏิบัติตรงแล้วคือตื่นรู้ปฏิบัติออกจากทุกแล้วคือตื่นรู้ปฏิบัติเป็นสารมันแล้วคือตื่นรู้นี่เองใช่ได้แต่พื้นแต่พื้นไปใช่มากมากให้ชำนาญให้เป็น ปัญญาปัญญาคือชํานาญเห็นชํานาญที่สุดตีตะขะหนแจกแจงชํานาญที่สุดทําให้โบดปลอยชํานาญที่สุดเห็นชํานาญไม่เป็นชํานาญค้นจากที่เป็นชํานาญที่สุดเรียกว่ายาตะปะัญญาติตะขะหนปัญญาปหานปริญญา ทุกของอริสัจจงยาตันติเวตาเพมิเม so, ิมิสสุสัตตสุวีสัตเจสุยาตาปัญญาตีขณะปัญญาใ้หลักอริสัจฉิเราสาธยอระสุขคือความจำเนิ่ยจำนานติเเป็นทั <t is> <t is> ้งล้วความชั่ว สติป็นต้องทางความดีสติจนทั้งกิตบริรสุทธิ์จนศีลก็กำจัดความช่อควาจัดี่เหล่ตองจัดได้กะเอียดปราณีตถ้าชำนาญเหมือนคน ม, มีฝีมือดีมีเต็มเดียวสิวันเดียวเลือเ่อยเล่มเดียวทำอะไรก็ฝีมือปราณีต อย่างคนแอบสายมาทำกติท่วัดสุกตูนี่ฝีมือเปล่าเนียดทำปูนให้เป็นไม้ดูไม่ออกทำอกุศลให้เป็นกุศลฝีมือปลาเนีตททำบาปให้เป็นบุญทำช่วยเป็นดีฝีมือเปลาเนีตคือการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เป็น้ายเป็นล้ลยโกรธจนตายหลงจนตายทุกจนตายไม่มีฝีมือเช่หน่อยแลวเสียชาติมันไม่ถูกต้องจะทำไหมก็ไม่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องร้ยเปความไม่ทุกข์ถูกต้องร0อยเปอเตรงกันพอดีกันเทมันทุกข์มันก็มีชีิตไม่ทุกข์ได้ แต่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยปฏิบัติผร้เจ้าจึงสอนให้ปฏิบัติเห็นได้เป็นดี น, น, นี่นะปฏิบัติธรรมเรามีโอกาสเต็มที่ไม่ต้องทำไรทำนาข้า ข, าขาอยโยมตีแล้วครั้งแป้งแป้งสี่บาทถือบาทไปเลยเลยไม่พลาด เอามาเล่าเลยฉนันได้อิ่มเลยเพื่ออะไรเพื่อมเมื่อปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อเล่นนั้นอื่นให้เพื่อการ น, นี้ชีวิตของพวกเราและโจมก็สนับสนุนให้เราเพื่อการทำอย่างนี้เขาอยากได้บุญมีอันนี้สูงช่วยคนเป็นคนดี แล้วก็ผูกจอยเธแล้วก็ช่วยอีกเขาให้เข้าสูกน้ำแป้งเรามาทำความดีให้มากกว่านั่นให้มะคุ้งเราเยอ่แยะไ yeah, ปหมดเลยความดีที่เกิดจากเราควรจะมีอะไรให้มันเกิดขึ้นมาบ้างอันอื่นเขาให้เราชีวิตเรา ว่าใช่เราหาตัวเองชีวิเตเลือดเนื้อนี่ยเขาเื่นให้เรามาโกรธไม่ได้ทุกข์ไม่ได้พ่อแม่ให้ชีวิตเสมอให้ลูปให้นามมาหวัวใจของพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกของท่านเป็นทุกข์ไม่อยากเห็นลูกโกรธไม่อยากเห็นลูกทุกข์ไม่อยากเห็นลูกนามเนี่ชั่ว งูกของพ่อของแม่เราจะชั่วมไม่ได้จะทุกข์ไม่ได้จะโกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่สงสารญาติยต้องา่าเพราะไหวมันเจ็บใจมาทําของชั่วเนี่ยมันเจ็บใจมากถ้าเราไม่มีการปฏิบัติมันจะไม่คุ้มมาเลยลเลยเราเถอพวกเราไตมื่สามเดือนเนี่ย นั่นเป็นสัดวนของการนี่โดยตรงยกมือเชือนไว้ไปมามีสติองค์เจวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกนี้ดีๆคิดใจๆตัหน้าอกของตัวเองลูกพ่อนี่แม่นี่กูนี่แหละเป็นคนหนึ่งลูกสาวของพ่อคนของแม่นี่ยลูกชายของพ่อคนแม่เล่าคนนึงแล้วะเสนอตัวขึ้นมา เป็นดอกมะลิในโอ่งน้าในครอบครัวในตระกูลนี้่ยเป็นซากชิ้งจกชิ้งให้เหม็นมันต่าง ก, กันลถ้าชั่วเหม็นถ้าดีก็หอมบวชดำลงตระกูลให้เสียตระกูลในเกิดมาชาตินี้เอาเลย มือฮนวจีนวสร้างโลกได้ยิ่งใหญ่มากชีิของแต่ละชฤวตเนี่ยใ ค, ใครก็มีญ า, า, าติญาตัตถะกิเลสประโยชน์ตญาติโลกุตตถะกิเลสประโยชน์ต่อโลกพุทธะกิเลสประโยชน์ต่อพุทธศาสนาล่องลอยพุทธศาสนาในช่วงชีวิตที่เรามีอยู่นี่ เห็นล่องรอยหัวใจาที่เกิดบรรพบุรุษปูชนีบุคคลพุทธธาตุบ้างหลงบเทียนบ้างน้องรอยท่านจึงมีใ น, นหวัวใจเราเนี่เหยียบลอยกันนี่พระพุทธเจ้าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากพระเจ้า หลักปิบัติตามหลักคัสโงสาวกของพระเจ้าอย่างน้อยมีเอตตะคะ8ปรูปพี่เด่นๆต่นนๆหนั้ น, น, นแล้วก็ย่อมมีใจมาอยู่ในหัวใจเราสักนิดหน่อยแล้วมิททุลีมาอยู่ในหัวใจเรานะึงไม่เยอะเยะคนดีฮะดีขัวจานดีนะ และจึงต้องอย่าไปโหมดเยี่ยมตกหน้าอกยืดตัวขึ้นมาลองหน้าวางใบหน้าให้งดบน้าบางใจให้งดหน้าเลกล้าบุคคนมีความเพียรมีความกตลกล้าถลาไก่กระโดด ถ, ถึงสุดยอดตรมกุฏทับด้วยหาไทยถึงเมื่อถึงผลถึงความไม่เป็นอะไรในชีวิตปัจจุบันนี้ทำได้ทุกชีวิต จะ่อเหียวทั้ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไวเนี่ยทั้ไม่ได้ยากเอายากเอาง่ายข่วงหน้าผิดถูกตอนที่มันทจริงไม่มีนะครับว่าผิดมาถูกนะครว่ายากว่าง่ายไม่มีแล้วมีแต่สติเห็นเนี่ยมันถูกเห็นมันถูกมันผิดเห็นมันผิดมันทุกข์เห็นมันทุกข์มันสุขเห็นมันสุขเนี่ย มันเลยลื่นที่ฉุดเลยสติพายลื่นเป็นคุณธรรมที่ปราณีตเกี่ยวกับจึงใดลื่นลื่นเหมือนเกิดหลงขึ้นมาเห็นมันหลงเหมืนเกิดลู่ขึ้นมาเห็นมันลู่เหมืนเกิดสงบขึ้นมาเห็นมันสงบมันเกิดพุ่งซ้านขึ้นมาเห็นมันพุ่งซ้อนไม่เสียหายเลยมีแต่ชํานาญในการเห็น มันก็สะดวกเลยอาจจคืนเดียวบรรลุธรรมก่นอ่าพระเจ้าเนี่ยคืนเดียวได้บรรลุธรรมเลยรบรร ล, ลุธรรมฉับพรันแล้ววัดรัตนอยบุคคลอุคติรัตนโยบุคคลเพ็<ะ>เดี๋ยวเหมือนดกบัวในสระน้ำป้นน้ำแล้วรอแสงอาทิตย์แสงาทิตย์สนี้เดี๋ยวบานออกาแล้วร<ะ>ับุคคล มันเตรียมตัวไว้ให้เป็นบัวพน้นนะ้ำอยากยากอยากพิจะทุกแ้ยังผิดยังทุกอยู่นังบัวในนะ้ำบัวใต้ดินด้วยซ้ำไปต้องฝึกตนสอนต น, นไม่มีใครสอนเราหรอกเพราะถ้าเราไม่สอนตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราไปช่วยตัวเองอาจารย์ดีขนาดไหนไม่เป็นของคนอนื่น อย่าไปคัปปี้คนอื่นมาเป็นของเรามันปลอมของปลอมเหมือนกอ่เร็วหางหงมมาแฉมมันปลอมจำมาลู่จำไม่ใช่ลู่แจง้งมันเห็นเห็นนี่นะเห็นนี่มันลู่แจง้ง เห็นอะไเห็นอะไที่มันเกิดกับเราเนี่ยเห็นชัดเหลือเกินทุกข์มันก็ไม่ใช่สุขหรอกจะให้ทุกข์เป็นสุขเป็นไปไม่ได้จะให้สุขเป็นทุกข์เป็นไปไม่ได้เห็นแจ้งอย่างนี้ความหลงไ ม, ไม่ถูกต้องควมไม่หลงถูกต้องแก้งที่สุดอยู่ในโลกไหนก็จะอยู่จะดูแบบนี้เห็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะั่งปฏิบัติไม่ได้ตามความทุกข์ความหลงมีสติเวลาวันหลงมีสติไม่หลง ใช้ที่ดีของตนทำงานที่ไตร้ยเปอร์นตจะไม่เป็นอะไรกับเวลาเป็นอย่างนี้ปฏิบัติรรมเอาสมกวนใจเวลากับภาความกัน